การปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้มรด้ผลนี้ผู้ปฏิบัติจำต้องมีความเพียรเป็นอย่างมากต้องมีความวิริยะอุสาหะความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อน ไม่ยอ่ทอท้อไม่ถอยไม่ยอมแพ้ถึงจะได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติดังในพระบาลีที่ได้ทรงแสดงไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่นความสาเร็จไม่ได้อยู่ที่ความย่อท้ออ่อนแอปวกเปียกอยู่ที่ความพยายามความต่อสู้ความอดทนอยู่ที่ความเพียรที่ต่อเนื่องสม่าเสมอและเพิ่มขึ้นไปตามลำดับ จนถึงความเพียรที่เต็มร้อยถึงจะได้รับผลจากการปฏิบัติการที่เราจะมีความเพียร น, นี้เกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีฉันทะคือความยินดีต่อการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีความยินดีต่อการปฏิบัติธรรม เราก็จะไม่อยากปฏิบัติกันดังนั้นเราต้องสร้างความยินดีให้เกิดขึ้นก่อนเช่นให้ฟังคำพูดของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ว่าความยินดีในธรรมชนะความยินดีทางปวงเพราะรดแห่งธรรมชนะรดทางปวง เราต้องรู้ว่าการปฏิบัติธรรมของเราเราจะได้รสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงรสทั้งปวงก็คือรสที่เราได้ลาบได้จากราบยศสรรเสริญได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะต่างๆนี่เองรสของราบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะนี้ซู้รสของธรรมไม่ได้ ถ้าเราเห็นคุณค่าของรถแห่งธรรมก็จะทำให้เราเกิดมีความยินดีในรถแห่งธรรมดังนั้นเราต้องพยายามศึกษาให้เห็นคุณค่าของรถแห่งธรรมว่าทำไมถึงชนะรถทั้งปวง การที่เราจะเห็นคุณค่าของรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเราก็ต้องได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้ที่ได้รถแห่งธรรมได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมมาแล้วผู้ที่ได้สัมผัส ร, รถแห่งธรรมมาแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระ อ, องค์แรกหลังจากนั้นก็มีพออาระอรหันตสาวกทั้งหลาย นับมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการจนถึงสมัยปัจจุบันนี้เป็นผู้ได้สัมผัสรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงท่านเหล่านี้แลจะเป็นผู้ที่จะสร้างฉันทะความยินดีให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของพวกเราจะทำให้พวกเรานี้มีความภาคเพียรอุตสาหวิริยะ ที่จะปฏิบัติทำอย่างกล้าหาญอย่างขมักขม่นอย่างเต็มกำลังเพราะเห็นคุณค่าของรถแห่งธรรมว่าชนะรถทั้งปวงดังนั้นการที่เราจะเกิดความเพียรขึ้นมาได้เกิดความยินดีในการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องฟัง เรื่องของรถแห่งธรรมฟังธรรมจากผู้ที่ได้บรรลุธรรมมาแล้วเช่นถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ก็ให้ไปหาพระพุทธเจ้าอถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ก็ให้ไปหาพระอาหารหันตสาวกถ้าไปหาพระอาหารหันตสาวกไม่ได้ก็ไปหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอาหารหันตสาวกอ เช่นพระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่แล้วแต่คําสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังมีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกอยู่พระอรหันตสาวกบางรูปท่านก็ผ่านไปแล้วเช่นครูบาอาจารย์ที่เราเคารบกราบไหวบูชานับมาตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาแต่ละองค์ท่านจากไป แต่ท่านก็ได้ทิ้งธรรมะให้พวกเราได้อ่านได้ศึกษาได้ฟังกันเราสามารถที่จะใช้ธรรมะเหล่านี้มาปลุกระดมจิตใจของเราให้เกิดมีความยินดีต่อการปฏิบัติธรรมพอเรามีความยินดีต่อการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะมีวิริยะความอุตสาหะความภาคเปลี่ยน ที่จะปฏิบัติธรรมแล้วพอเราได้ปฏิบัติธรรมด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลาดับดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรที่จะเข้าหาอยู่เรื่อยๆก็คือพระธรรมคําสอนไม่ว่าจะเป็นของพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นของพระอาหามตสากุลทั้งหลายก็ดี เป็นเหมือนสถานีบริการสำหรับรถยนต์ที่จาเป็นจะต้องจอดแวะเพื่อเติมน้ามันเพราะว่าเวลาเติมน้ามันแต่ละครั้งนี้พอเติมเต็มแล้วพอขับรถออกไปไหนมาไหนได้สักระยะหนึ่งน้ามันก็จะต้องหมดถ้าหมดแล้วถ้าไม่แวะจอดเติมน้ามันรถก็จะจอด จะวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้จิตใจของพวกเราก็เป็นเบรนรถยนต์ที่ยําเป็นที่จะต้องมีน้ํามันคอยผลักดันให้จิตใจนั้นมีความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องแวะเติมน้ํามันให้แก่จิตใจอยู่เรื่อยๆ ก็คือการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาพระธรรมคำสอนไม่ว่าจะเป็นของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือคำสอนของครูบาอาจารย์พระสุปฏิสุปัะสุปฏิปันโนทั้งหลายที่ได้มีหนังสื อ, อบันทึกเอาไว้บันทึกคำสอนต่างๆเอาไว้ให้เรา อ่านอยู่เรื่อยๆดังในพระบาลีที่ได้ทรงแสดงไว้ว่ากาเลนะธรรมัทสวรังเอตัมังกาลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลา mm hmm. เป็นมงคลอย่างยิ่ง mm hmm. เพราะจะได้เสริมศรัทธาเสริมวิริยะเสริมฉันทะเสริมอิทธิบาทสีให้แก่จิตใจ ที่เป็นเหมือนพลังเป็นเหมือนน้ำมันของจิตใจจิตใจถ้ามีอิทธิบาทสคือมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วย่อมสามารถทำอะไรต่างๆให้บรรลุล่วงให้สำเร็จได้อย่างแน่นอนอิทธิบาทก็แปลว่าทางสู่ความยิ่งใหญ่ทางสู่ความสำเร็จนั่นเอง อทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่บาทแปลว่าทางทางเดินฟุตบาทนี่นอิทธิบาตรทางเดินสู่ความยิ่งใหญ่ความเดินสู่ความสําเร็จของการปฏิบัติรรมก็คือมรรคผลนิพพานจะเกิดถ้ามีฉันทะ มีความยินดีในการปฏิบัติธรรมเพราะมีความเชื่อในคำสอนที่ทรงตัดสอนไว้ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงพอรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับรถแห่งธรรมก็จะไม่สนใจที่จะไปแสวงหาอะไรต่างๆในโลก เอาเวลาที่เคยไปแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาแสวงหาลดแห่งธรรมกันจะดีกว่าเพราะรดแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงชนะอย่างไรชนะที่ตรงที่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรททำให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างถาวร อันนี้แหละเป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเพราะไม่มีรถอะไรในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นราบยศสรรเสริญหรือรูปเสียงเกินรถโพธพระชนิดต่างๆจะไม่มีความสามารถที่จะทำให้ผู้ได้เสพได้สัมผัสนี้หลุดพ้นจากกองทุกของการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย แต่กลับจะทำให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อขึ้นไปยาวขึ้นไปนานขึ้นไป mm hmm. นี่คือความแตกต่างระหว่างรถแห่งธรรมกับรถทั้งปวงรถของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี้จะทำให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นจะทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิดยาวนานขึ้นไป ไม่ใช่น้อยลงไปอยาสร้างภพสร้างชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปถ้าเราไปแสวงหาลถของราบยศสละเสริญลดของรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐาปแต่ถ้าเราไปแสวงหาลดแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงความทุกข์ก็จะน้อยลงไปความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปภพชาติก็จะมีน้อยลงไป จนหมดไปในที่สุดถ้าลองได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วเช่นบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วโสดาบันก็เป็นผู้ก็แปลว่าผู้ที่เข้าสู่กระแสโสตแปลว่ากระแสโสตพันธะก็แปลว่าผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสกระแสนี้ก็คือกระแสของพระนิพพาน กระแสที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติได้ไปถึงพระนิพพานอย่างแน่นอนอย่างเพ่นพระโสดาบันนี้ผู้ได้เข้าสู่กระแสะแล้วจะมีพบชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแล้วถ้าได้ขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือขั้นพระสกิดาคามีก็จะมีพบชาติเหลืออีกเพียงพบชาติเดียว จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เกินหนึ่งชาติพระสูามันไม่เกินเจ็ดชาติแล้วพอขึ้นเข้าสู่ขั้นที่สามเข้าสู่ขั้นของพระอนาคามีก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดที่สวรรค์ชั้นพรหมได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต ได้เข้าถึงพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือผลที่เราได้รับจากรถแห่งธรรมก็คือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรายังไม่ถึงขั้นสูงสุดเราก็จะได้ตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปและเป็นภพชาติ ที่ดีคือจะไม่ต้องไปเกิดนอบายอีกต่อไปพอได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วได้บรรลุเป็นพระสูดาบรรแล้วเจ็ดชาติที่เหลืออยู่นี้จะไม่เป็นชาติของเดรัจฉานชาติของเปรตชาติของอสู ร, รกายหรือชาติของสัตว์นรกจะเป็นชาติของมนุษย์แล้วก็จะขยับขึ้นไป สัตว์พบชาติให้น้อยลงไปจาก7เหลือหนึ่งจาก1เหลือศคือไม่ต้องกลับมาเกิดในกามมาพบพบของมนุษย์แล้วก็ไปบรรลุทำในรูปภพหรืออารูปภพบพบของของพรหมนี่คือลดแห่งธรรมต่างกับลดของทางโลก ต่างจากลถของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกินลดที่จะดึงให้จิตใจนั้นกลับมาเวียนว่าตายเกิดซึ่งสามารถที่จะไปเกิดได้ทั้งสูงและต่ำขึ้นอยู่กับการแสวงหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงเกิดลดผลทพะวะหาแบบใดถ้าหาด้วยการทำบาปนี้จะต้องไปเกิดในอบายอย่างแน่นอน ถ้าไม่ได้หาด้วยการกระทำบาปก็จะได้ไปเกิดในสุคติเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นเทวดาบ้างเกิดเป็นพรหมบ้างแต่ก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกลับมาแก่มาเจ็บมาตายนี่คือรสของโลกไม่ใช่รสของธรรมต่างกันรสของธรรมนี้จะทำให้กลับมาเกิดไม่ เหลือไม่มากเหลือไม่เกินเจ็ดชาติแล้วก็หมดไปในที่สุดถ้าการปฏิบัติมีการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องการจะปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรแล้วขยันหมั่นเพียร น, นี้อยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้กำหนดเวลาของการปฏิบัติ หรือจะเอาเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงกําหนดให้พระภิกษุสมามเณรปฏิบัติก็ได้เช่นทรงสอนให้บําเพ็ญเพียรตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นจนหลับให้เดินจงกรมนั่งสมาธิตลอดเวลาตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิพอสี่ทุ่มถึงตีสองก็ให้พักผ่อนหลับนอน พอตีสองตื่นขึ้นมาก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงสว่างพอถึงสว่างก็ไปทำภารกิจที่จำเป็นเช่นการบินธบาทขบชันในขณะที่บินทบาทขบฉันก็ให้มีสติให้เจริญสติการเจริญสตินี้แหละเรียกว่าเป็นการทำความเพียรเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ สามารถปฏิบัติได้ทั้งในขณะที่อยู่ตามลำพังเช่นอยู่ในที่วิเวกอยู่ที่พักของตนก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปแต่เวลาที่ออกมาทำภารกิจบิณฑบาตขบฉันปาดกวาดทำงานต่างๆก็ปฏิบัติได้ด้วยการเจริญสติให้มีสติอยู่กับใจตลอดเวลา จะใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือจะใช้การเฝ้าดูกิจกรรมของร่างกายไปก็ได้เช่นกำลังเดินก็ให้ดูว่ากำลังเดินกาลังบินทบาทก็ให้ดูว่ากำลังบินทะบาทกำลังขบฉันก็ให้ดูอยู่กับการขบฉันไม่ให้ใจไปที่อื่นให้อยู่กับ ภารกิจการงานของร่างกายที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าเป็นการทําความเพียนถ้าไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ในขณะที่กำลังทําภารกิจต่างๆอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นการทําความเพียงเป็นการขาดสติเป็นการ ปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของอวิชชาปัตจยาสังขาราปล่อยให้ใจไหลไปกับกระแสความคิดที่มีอวิชชาเป็นผู้ผลักดันที่จะนําไปสู่ตัณหาความอยากต่างๆนําไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจความหงุดหงิด ต, ต่างๆถ้าไม่มีสติคอยควบคุมอวิชชาปัตจยาสังขารานี้ ไม่มีสติคอยควบคุมสังขารความคิดปรุงแต่งที่ผักดันโดยอวิชชาคือความหลงความหลงที่ไปคิดว่ารสของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสพฎิภะนีดีกว่ารสแห่งธรรมนั่นเองแต่ถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถยับยั้งความหลงอันนี้ได้ทำให้ไม่ไปมีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญ ไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะชนิดต่างๆจะทำให้อยากได้รถแห่งธรรมก็คือรถของความสงบใจจะสงบได้ก็ต้องระงับสังขารความคิดปรุงแต่งให้ได้สังขารความคิดปรุงแต่งจะหยุดได้ก็ต้องหยุดด้วยสตินี้เท่านั้นจึงจำเป็นที่จะต้องหมัน่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆ จะเป็นพุทธานุสติคือคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็ได้จะกายกตาสติคือการเฝ้าดูการกระทาต่างๆของร่างกายก็ได้หรือจะใช้มรณ า, านุสติก็ได้มรณ า, านุสติก็ให้เราลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอนนนว่า อย่าประมาณอนนุลถ้าเธอเพลินระลึกถึงความตายเพียงวันละสี่ห้าครั้งนี้เธอยังประมาทอยู่ถ้าเธอไม่ประมาทเธอมีความเพียรเธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้คือความสาคัญของสติเวลาใดาที่เผลอสติเวลานั้นถือว่าตั้งอยู่ในความประมาทแล้วนะเพราะเป็น เป็นการเปิดช่องให้ข้าศึกศัตรูคือกิเลสตัณหาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเข้ามาสร้างพบสร้างชาติให้แก่จิตใจนั่นเองพอกิเลสตัณหาเข้ามานี่ก็จะเกิดความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสปุถะแล้วทุกครั้งที่ทําตามความอยากมันก็จะทําให้ความอยากนี้มีกาลังเพิ่มมากขึ้นไป จเจริญเติบโตขึ้นมากไปความอยากมีความจเจริญเติบโตมากขึ้นไปเท่าไหร่มันก็จะสร้างภพชาติให้มีมากขึ้นไปเท่านั้นนั่นเองแต่ถ้าเราสามารถสกัดความคิดหยุดความอยากมันก็จะทำให้ความอยากนี้มันเล็กลงไปน้อยลงไปเมื่อความอยากน้อยลงไปภพชาติต่างๆก็จะน้อยลงไป พอได้ถึงขั้นโสดาบันมันก็เหลือเพียงเจดชาติแนละ้วพอได้ขั้นสกิดาขามีก็เหลือชาติเดียวพอได้ขั้นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกของมนุษย์กต่อไปไวเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมเป็นขั้งสุดท้ายพอบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็เข้าสู่พระนิพพานไปออกจากการเวียน ว, ยว่ายตายเกิดอย่างสมบูรณ์ นี่คือเป็นผลที่เกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับถ้าเราอยากจะได้มรรคได้ผลเหมือนกับพระอริยเจ้าทั้งหลายได้กันเราก็ต้องดูวิธีการปฏิบัติของท่านว่าท่านปฏิบัติอย่างไรท่านปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นคือช่วงสี่ทุ่มถึงตีสอง นอกจากนั้นแล้วไม่มีเวลาใดที่ท่านไม่ทําความเพียรท่านทําความเพียรทุกเวลาถ้าอยู่ตามลําพังก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าไปทําภารกิจต่างๆก็จะเจราญสติจะมีพุทธโธกํากับใจไว้หรือมีการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิเลยาบทหรือมีการระลึกถึงความตายในทุกลมหายใจเข้าออก นี่เรียกว่าเป็นการทำความเพียรเพราะเราต้องเพียรสร้างสติขึ้นมาก่อนถ้ายังไม่มีสติก็เหมือนรถยนต์ที่ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องถ้ารถยังไม่สตาร์ทเครื่องก็อย่าไปเข้าเกียร์ไปเหยียบน้ามันให้มันเสียเวลาเข้าเกียร์ไปเหยียบน้ํามันไปมันก็วิ่งไม่ได้อยู่ดีฉันใดถ้ายังไม่มีสติจะไปนั่งสมาธิมันก็ไม่เป็นสมาธิ จะไปเจริญปัญญามันก็ไม่เป็นการเจริญปัญญาถ้ามันจะไม่สามารถนําเอามากำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ถ้าไม่มีสติเป็นผู้สร้างสมาธิขึ้นมาถ้าไม่มีสติเป็นผู้สนับสนุนการเจริญปัญญาดังนั้นอย่าไปสนใจเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา ในเรื่องต้นนี้ให้สนใจในเรื่องสติก่อนพยายามเจริญสติในทุกอิริยาบทตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วพอมีเวลาว่างก็มานั่งหลับตาถ้านั่งหลับตานั่งเฉยๆแล้วจิตก็จะรวมเป็นสมาธิได้เป็นอัปปนาสมาธิสิ่งที่เราต้องการจากอัปปนาสมาธิก็คืออุเบกขาและลดแห่งธรรมก็คือความสงบ ที่ยิ่งใหญ่กว่าความลดทั้งปวงลดแห่งธรรมนี้ก็คือลดของความสงบของใจที่เราจะได้จากการทําใจให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาใจจะรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้ก็จำเป็นจะต้องมีสติที่ต่อเนื่องที่เรียกว่าสัมปะชัญญะมีสติสัมปะชัญญะใจไม่เผลอ ไม่ปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งโผล่ขึ้นมามาสร้างตันหาความอยากสร้างพบสร้างชาติให้กับใจใจคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาด้วยการเจริญพุทธานุสติคือคำบริกรรมพุทโธหรือด้วยการเจริญกายกตาสติคือการเฝ้าดูการกระทาของร่างกายในทุกิริยาบทหรือการเจริญมารณ า, านุสติ เรเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิใจจะรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้จะทำให้ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับรสแห่งธรรมจะเบื่อกับรสของทางโลกจะเบื่อรสของลาบยศสนเสร จะเบื่อลดของรูปเสียงกลิ่นรสผดกระพะแล้วก็จะมีฉันทะมีความยินดีมีวิริยะที่จะเพียรสร้างรถแห่งธรรมนี้ให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆพอได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปก็ต้องพยายามทําให้ชานานทําให้ได้ทุกครั้งที่ต้องการ เวลาใดที่ต้องการนั่งสมาธิเพื่อทําให้ใจรวมให้ใจสงบต้องสามารถทําได้ทุกครั้งอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีความชํานาญในสมาธิพอมีความชํานาญแล้วก็ต้องต่อจากนั้นพอออกจากสมาธิค่อยไปทางปัญญาต่อไปถ้ายังไม่ชํานาญยังไม่ต้องไปพอออกจากสมาธิมาแล้วถ้ายังไม่มั่นใจว่าจะเข้าไปได้ทุกครั้งหรือไม่ ก็กลับมาออกมาแล้วก็ให้เจริญสติต่อเจริญพุทธานุสติหรือเจริญกายกตาสติหรือเจริญมรณนานุสติต่อไปแล้วก็พอถึงเวลาก็กลับมานั่งใหม่ <c oughs> ถ้านั่งกี่ครั้งก็สามารถเข้าได้ทุกครั้งอย่างนี้ก็เรียกว่าชำนาญแล้วถ้าชำนาญแล้วก็ต้องออกทางปัญญาต่อไปเพราะถ้าไม่ออกก็จะเรียกว่าติด สมาธิหรือติดอยู่ในขั้นสมาธิจะไม่ก้าวหน้าถ้าอยากจะก้าวหน้ายังมีทำอีกขั้นหนึ่งที่จาเป็นจะต้องปฏิบัติทำขั้นนั้นเราเรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนาดังนั้นถ้าเรายังไม่ชำนาญในสมาธิเราทำให้ทให้มันชำนาญก่อนอย่าไปกลัวว่าติดอยู่ในขั้นสมาธิ ตอนนั้นยังไม่ถือว่าติดอยู่ในขั้นสมาธิเพราะยังไม่ชำนาญยังไม่ได้สมาธิเต็มร้อย <Yeah. S 1> เราต้องทำให้เราได้สมาธิเต็มร้อยคือสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการ <Yeah. S 1> ถ้าเราได้สมาธิเต็มร้อยแล้วถ้าเราไม่ออกทางปัญญาถึงจะเรียกว่าติดสมาธิเ <Yeah. S 1> พราะว่าจะได้แค่ขั้นสมาธิเท่านั้นจะไม่สามารถขึ้นไปสูงกว่าขั้นสมาธิได้ ถ้าอยากจะขึ้นให้ไปสูงกว่าขั้นสมาธิก็ต้องออกทางปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาแล้วต้องมาพิจารณาตายลักอนิจจงทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะพิจารณาความตายพิจารณาความไม่น่าดูของอาหารความสกปรกของอาหารเรียกว่าอาหารเลยปฏิกลสัญญา นี่เรียกว่าขั้นปัญญาจะพิจารณาจะเจริญได้นี้ต้องรอให้ออกจากสมาธิขณะที่จิตสงบตั้งมั่นไม่ได้ปรุงแต่งอย่าไปพิจารณาตอนนั้นเป็นกำกำลังเป็นเวลาเติมน้ํามันของจิตใจคือเติมอุเบกขาอุเบกขาก็คือความนิ่งเฉยความไม่มีอารมณ์ต่างๆเช่นไม่มีรักไม่มีชงังไม่มีกลัวไม่มีหลง เราต้องการจิตใจที่มีอุเบกขานี้เอาไว้ใช้การเจริญปัญญาเพราะเวลาเจริญปัญญานี้เราไม่ต้องการให้มีความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเข้ามารบกวนเพราะถ้ามีความโลภความโกรธความหลงแล้วการพิจารณาทางปัญญาจะไม่เป็นไปตามความเป็นจริงจะเป็นไปตามความหลงทันที แทนที่จะเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นกลับไปเห็นว่าเที่ยงแทนที่จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นกลับไปเห็นว่าเป็นสุขแทนที่จะไปเห็นว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเหล่านี้กลับจะไปเห็นว่าเป็นตัวเราของเราถ้าไม่มีอุเบกขาจิตจะมีกิเลสมาหลอกมาหลอกให้เห็นกลับตาลปัรเห็นกงจักเป็นดอกบัว จึงจำเป็นต้องมีสมาธิมีอุเบกขาแล้วเวลาพิจารณาอะไรก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาอนิจจังก็จะเห็นว่าเป็นอนิจจังพิจารณาทุกขังก็จะเห็นว่าเป็นทุกขังพิจารณาอนัตตาก็จะเห็นว่าเป็นอนัตตาถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาถึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะสามารถ ละตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้เพราะตันหานี่ก็เกิดจากความเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราพอเห็นอย่างนั้นก็อยากได้ขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีปัญญามีอุเบกขา ใจก็จะเห็นตรงกันข้างกันใจจะเห็นตามความเป็นจริงเห็นสิ่งที่เป็นอนิจจังว่าเป็นอนิจจังเห็นสิ่งที่เป็นทุกขังว่าเป็นทุกขังเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาก็คือทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตต์ทั้งนั้นแต่ถ้าจิตไม่มีอุเบกขาจิตไม่มีปัญญาจิตจะเห็นกับตาลปัด จะเห็นตรงกันข้ามกันจะเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็จะเกิดความอยากได้พอเกิดความอยากได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจในขณะที่อยากก็เกิดความทุกข์ใจแล้วพอได้สิ่งที่อยากมาก็ต้องมาทุกข์ใจเพราะสิ่งที่ได้มาเป็นอนิจจังเดี๋ยวเกิดได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากไปพอเวลาจากไปก็กลายเป็นความทุกข์ใจขึ้นมา นี่คือเรื่องของปัญญาที่ผู้ปฏิบัติจะเป็นจะต้องเจริญหลังจากที่ได้ได้สมาธิอย่างชำนาญแล้วได้สมาธิเต็มร้อยแล้วสามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกครั้งทุกเวลาที่ต้องการถึงจะต้องออกมาทางปัญญาแต่ต้องเจริญปัญญาในขณะที่ออกจากสมาธิมาแล้ว ในขณะที่ตั้งอยู่ในสมาธิสักแต่วรู้ไม่ให้เจริญปัญญาให้สักแต่วรู้ไปนาน น, านให้อยู่กับอุเบกขาไปนานนานให้อยู่กับความสงบความสุขไปนานๆานแล้วจะมีกําลังที่จะมาปล่อยวางสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมีกําลังมาปล่อยราบยศสรรเสริญจะมีกําลังมาปล่อย รูปเสียงกลิ่นรสปุทธภาจะมีกำลังมาปล่อยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและธรรมารมณ์จะปล่อยได้หมดทุกอย่างที่มีอยู่ภายในใจของตนจนใจนี้ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เหลืออยู่แต่ความว่างเพียงอย่างเดียวความว่างนี้แหละที่เรียกว่านิบานังปลมังสุญญง ว่างจากลาบยศสรรเสริญว่างจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะว่างจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่างจากธรรมอารมณ์ต่างๆไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ภายในใจพอไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ก็มีแต่บรมังสุขขังบรมมาสุขความว่างนี้แหละเป็นบรมมาสุข นิบบานังปะละมังสุญญงนิบบานังปะละมังสุขขังนิพพานก็คือความว่างนิพพานก็คือความสุขความความสุขที่สูงสุดความสุขที่ถาวรเรียกว่าบาร ม, มสุขเพราะความว่างไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความว่างนี้ไม่ใช่อนิจังทุกขังอนัตตาความว่างนี้จะมีอยู่ไปตลอด เพราะว่ามันไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะหายถ้ามีอะไรมันก็จะหายไปแต่ถ้ามันไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรจะหายเ mm. นี่ยคือสิ่งที่เราต้องการต้องการทำให้ใจเราว่างใจจะว่างใจต้องปล่อยวางปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวท ลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปุถะนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและธรรมารมณ์ต่างๆก็เช่นเดียวกันมีการเจริญแล้วก็มีการเสรื่อมมีการเกิดมีการดับก็ต้องปล่อยวางของที่เป็นตายรักษทั้งหมด เมื่อปล่อยวางของตายรักทั้งหมดใจก็จะว่างจากสิ่งต่างๆไปหมดคือใจไม่ไปคิดถึงมันนั่นเองไม่ไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสปุถพพะไม่ไปคิดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ไปคิดถึงธรรมอารมณ์ต่างๆปล่อยวางเขาไปตามเรื่องของเขาเขาจะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นปัญหากับเรา เพราะใจเราไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วไม่เกี่ยวข้องกับเขาแล้วใจเราว่างจากเขาแล้วเมื่อใจเราว่างแล้วเราก็จะว่างจากความทุกข์เมื่อไม่มีความทุกข์มันก็มีแต่ความสุขเท่านั้นที่เรียกว่าบรมสุขบาลมังสุขขังนี่คือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงที่จะเกิดจากการที่เรามีความอุตสาหะวิริยะมีความหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติ ที่จะเจริญทำต่างๆนับตั้งแต่สติธรรมขึ้นมาไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญาไปสู่วิมุตติการหลุดพ้นไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่ความว่างของจิตใจว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการมีความภาคเพี่ยนความภาคเพลี่ยนนี้ก็เกิดจากการมีฉันทะมีความยินดีในลถแห่งธรรม และการที่มีความยินดีในลดแห่งทางก็เพราะว่าได้ฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนอยู่อย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องผู้ปฏิบัตินี้ทิ้งการศึกษาไม่ได้ต้องมีการศึกษาเป็นระยะระยะไปเป็นการเป็นเวลาการเลนะธรรมะสวังเอตัมมังกัลมุตตะมั ง, มมงอย่างน้อยก็ ทุกเจวันสมัยโบราณก็จะมีวันธรรม ส, สวรรกันทุกเจ็ดวันคือวันพระวันฟังธรรมกันอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็จะเรียกมาเทศมาสอนทุกอาทิตย์หรือบางทีก็มากกว่านั้นสี่ห้าวันบางทีก็เรียกมาแล้วถ้าเห็นท่าทางของลูกศิษย์ลูกหาไม่มีสติสตางค์เนี่เดี๋ยวก็ตั้งเรียกประชุมแล้วเรียกมาอบรมสั่งสอน ในการอบรมสั่งสอนก็คือการศึกษาการฟังเทศฟังธรรมต้องฟังอยู่ต้องฟังเป็นระยะเป็นระยะฟังอยู่เรื่อยๆเหมือนเป็นการเติมน้ามันให้แก่ก จ, จิตใจขับรถก็ต้องจอดแวะตามสถานีบริการเป็นระยะระยะพอน้ามันใกล้จะหมดก็ต้องจอดเติมน้ามันถ้าไม่เติมเดี๋ยวน้ำมันหมดมันก็จอดไปไม่ได้ถ้าไม่หมัน่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยเดี๋ยวพอ ฉันทะวิริยะหมดไปก็จะไม่มีการปฏิบัติพอไม่มีการปฏิบัติก็จิตใจก็จะถูกกิเลสลมเล้าสร้างความทุกข์สร้างความอยากสร้างความวุ่นวายต่างๆให้จนในที่สุดก็จะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ภายในใจไม่มีธรรมเหลืออยู่ในภายในใจไม่มีความเพียรหลงเหลืออยู่ภายในใจ มีแต่ตันหาความอยากที่อยากจะไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพภามาเสพยิ่งเสพก็ยิ่งทุกข์เพราะยิ่งอยากมากขึ้นไปแล้วก็จะต้องไปเจอในวันที่ไม่สามารถที่จะเสพได้เงินหมดก็ไม่สามารถที่จะหาสิ่งต่างๆมาเสพได้หรือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายแก่ชราหรือตายไป ก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลผพิตได้แล้วตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาทุกขใหม่มาทุกกับความแก่ทุกขกับความเจ็บทุกขกับความตายใหม่เพราะว่าไม่หมั่นฟังเทศฟังธรรมไม่หมั่นเติมน้ามันให้แก่ชีวิตจิตใจถ้าเหมั่นฟังเทศฟังธรรมก็จะได้ มีฉันทะมีความยินดีในรสแห่งธรรมเมื่อมีความยินดีในรสแห่งธรรมก็จะมีวิริยะมีความภาคเพียรพอมีความภาคเพียรแล้วก็จะมีการปฏิบัติมีการเจริญสติมีการเจริญสมาธิมีการเจริญปัญญาเมื่อมีการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาก็จะมีการปรากฏของมรรคผลนิพพานขึ้นมา มรสีผลสีนิพพานหนึ่งนับตั้งแต่ขั้นของพระโสดาบันสู่ขั้นสกิรดาคามีขั้นอนาคามีและขั้นพระอาหารหันต์นี่เรียกว่ามรสีผล ส, โสีโสดาปฏิมรสโสดาปฏิผลสกิรดาคามีมรสกิรดาคามีผลอนาคามีมรสอนาคามีผล อรหัตตะมักอลัตตผลนี่คือมักสี่ผลสีพอได้อลัตตะมักแล้วก็จะเข้าสู่พระนิพพานได้เหมือนกับตีตั๋วขึ้นเครื่องบินพอได้ตีตั๋วแล้วตีตั๋วเต็มร้อยแล้วก็จะสามารถขึ้นเครื่องบินได้พอได้มักสี่ผลสีแล้วก็จะเข้าสู่พระนิพพานก็คือออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป นี่คือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเพราะว่าไม่มีรถอันใดในโลกนี้ที่จะทำให้สามารถหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดจากการหลุดจากหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้มีรถแห่งธรรมนี้เท่านั้นที่จะหลุดออกได้ดังนั้นขอให้พวกเราหมั่นฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อย ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังธรรมของพ้าอานันตสาวกถึงแม้ท่านจะตายจากเราไปแล้วธรรมของท่านนี้ก็ยังเป็นเหมือนธรรมที่ท่านแสดงอยู่สดสดร้อนๆมันเป็นอากาลิโกํำสอนธรรมะนี้เป็นอากาลิโกไม่เสื่อมไปตามการตามเวลาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็เหมือนได้ฟังจากปากพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นเลยได้ฟังธรรมของครูบาอาจารย์เมื่อไหร่ ก็เหมือนกับได้ฟังจากปากของท่านเมื่อ น, นั้นเลยเป็นของจริงของแท้ร้อยเปอร์เซนไม่มีวันเสื่อมไปกับการกับเวลาฟังแล้วก็จะได้กำลังใจได้ฉันทะได้วิริยะแล้วก็จะมีกำลังที่จะไปปฏิบัติพอได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้ลดแห่งธรรมได้ผลก็คือรดแห่งธรรมได้ยุติการเวียนไายตายเกิดนี่คือเรื่องของ การมีความเพียรที่พวกเราจาเป็นที่จะต้องพยายามผลักดันจิตใจของพวกเราให้มีความเพียรตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ความเกลียดแค้นเข้ามาเหยียบย่าทำลายจิตใจเพราะการหลุดพ้นจากความทุกนี้ไม่ได้หลุดพ้นด้วยความเกลียดแค้นแต่หลุดพ้นได้ด้วยความเพียรเท่านั้นการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 จันโทปนะระโสยะธามนิโชติระโสยะธาสพีติตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริจานิจจังวุทธาปจายโนจตารุธรรมวาานติ อายุวโนสุขังภาลาช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมก็มีทั้งผู้ที่ถามที่นี่หรือถามมาจากทางบ้านฝากถามมาก็มีทั้งแบบฝากฝากแบบไม่สดกับฝากสดก็ ตอนต้นก็ให้พวกที่ฝากไม่สดมาก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวพอพวกฝากไม่สดหมดแล้วก็พวกที่ฝากสดก็ส่งคำถามเข้ามาได้ตามลำดับผู้ที่อยู่ที่นี่อยากจะถามก็ถามได้แต่ขอความกรุณาอย่ามาถามตอนที่เลิกเลิกถามแล้วพอเลิกประชุมแล้วก็อย่ามาถามเพราะว่าเหนื่อยแล้วไม่อยากจะพูดอะไรแล้ว งขอความกรุณาถ้าอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามในช่วงนี้เลยพิธีกรคำถามจากทางบ้านจากคุณสันติจากการปฏิบัติผมใช้วิธีการเจริญสติในอิริยาบถนั่งเป็นส่วนใหญ่แต่นั่งแบบสบายสบายไม่นั่งขัดสมาธิพอรู้ว่าจิตปรุงแต่งสติจะกลับมารู้ตัวไม่หลงยินดีและยินร้ายไม่รักษาไม่ประคองจิต ขาดเดียวกันใช้เครื่องอยู่ด้วยการใช้อนุสติสิ ป, ประการซึ่งสมัยแรกๆไม่ได้ทำบุญมากและถือศีลไม่ใหม่ธรรมะรู้น้อยงงมากกับอนุสติสิบจิตไม่ลงไม่เคล้าเครียรสักเพียงข้อเดียวในหัวข้อพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าผมทราบซึ้งในพระมาหากรุณาธิคุณและปัญญาที่คุณด้วยเสียงก้าว และลึกวนไปวนมาในจิตเพียงสองประการนี้จิตใจจะชุ่มชำ่ำขณะเดียวกันจิตจะมีสติตัดว่าคือสังขารปรุงและจะกลับมารู้ตัวทันทีเห็นสังขารดับต่อจากนั้นก็เริ่มวงจรแบบนี้ใหม่จิตเอากุศลจิตมาพิจารณาเห็นความเกิดดับบางวันก็เอามรณานุสติมาพิจารณาบ้างลมหายใจบ้างแต่ละอนุสติได้สมาธิ และสติต่างกันแต่ผมจะเน้นไปที่เกิดดับของสังขารที่จิตปรุงแต่งเพราะเห็นชัดดีคำถามคือการพิจารณาของผมมีข้อผิดพลาดที่ควรแก้ไขประการใดครับก็ควรเอาที่ทำนี้มาหยุดความอยากต่างๆถ้ารู้พวกนี้แล้วยังปล่อยให้ความอยากเหมือนเดิมอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะการมีสติมีปัญญานี้ก็เพื่อมาละความอยากละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์ละความอยากในลาบยศสรรเสริญละความอยากในร่างกายของตนเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทาถ้าไม่ทำต่อให้เห็นเกิดดับเห็นอะไรเท่าไหร่แต่ตัณหาความอยากยังมีอยู่เท่าเดิม ก็แสดงว่าไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเหมือนเดิมเหมือนกับไม่ได้ปฏิบัติคำถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งการทำสมาธิจะทราบได้อย่างไรว่าเข้าสมาธิแล้วคะทำไปเถิดถ้ามันเข้ามันก็รู้เองถ้ามันไม่เข้ามันก็ไม่รู้สิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นถ้ามันเป็นสมาธิมันจะร้องอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้เองเนาะไม่ต้องไปถามใคร ก็ที่สองเมื่อนั่งสมาธิจะรู้สึกเหมือนมีมดกัดยุงกัดหรือได้กลิ่นดอกไม้หอมนั่นคืออะไรคะนั่นคือกเกเรตสมานเวลาไม่ได้นั่งนี้มันไม่มาพอเวลานั่งมันอะไรไม่รู้มาเยอะแยะไปหมดมันเพื่อมาเพื่อเช่จะมาขัดขวางการทําใจของเราให้สงบทําให้เราเสียสมาธิทําให้เราไม่ภาวนาอย่างต่อเนื่องอเวลาอะไรมาอย่าไปสนใจให้อยู่กับ การภาวนาของเราไปถ้าพุทธานุสติก็พุโทโธไปถ้าอานาปานาสติก็ดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอาการคันอาการเจ็บหรืออาการอะไรต่างๆที่จะปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ถ้าไปสนใจแล้วมันจะไม่ได้ภาวนาพอไม่ได้ภาวนามันก็จะหยุดมันก็จะไม่ก้าวหน้ามันก็จะหยุดตรงที่ตรงที่มีอะไรมาเกิดให้รับให้รู้นั้นเท่านั้นเอง คำถามจากคุณวรวรรณในองค์กรที่มีคนจำนวนมากเราควรยึดหลักการใดเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคะเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาหรือพรมวิหารสี่เป็นธรรมที่เราควรที่จะเจริญเวลาที่เราอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้มีความเมตตาต่อกันให้มีความปรารถนาดีคิดดีต่อกันไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายต่อกัน แล้ก็ให้มีความสงสารในผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนลาบากนมูลกว่าเราเรามีอะไรพอจะช่วยเหลือให้เขาหายทุกข์ได้ก็พยายามช่วยกันไปโนดิตาก็ให้มีความชื่นชมยินดีเวลาที่เพื่อนร่วมงานได้ก้าวได้เจริญก้าวหน้าได้เงินเดือนขึ้นได้ตําแหน่งสูงขึ้นอย่าไปอิจชาริอเสีกันก่อนจะมีความชื่นชมยินดีคิดเสียว่าเขเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเรา หรือเป็นแฟนเราคนที่เรารักเวลาคนที่เรารักนี้ได้ดีบได้ดีเราจะดีออกดีใจกันเราก็จะเลี้ยงฉลองกันฉันใดเพื่อนร่วมงานก็เป็นเหมือนแฟนของพวกเราต้องมองทุกคนที่เราร่วมงานกันว่าเป็นแฟนเป็นคู่รักของเราเขามีความสุขเขาจเจริญเราก็จะดีออกดีใจเราก็จะร่วมแสดงความยินดีไปกับเขาจะไม่รู้สึกอิจฉาหริอเสี แล้วก็อุเบกขาในกรณีที่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราไม่สามารถไปแก้ไขได้ไปทำอะไรได้ก็อย่าไปทุกข์เดือดร้อนกับมันทำใจให้วางเฉยให้คิดเสียว่ามันเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยเป็นเรื่องกรรมของกรรมของสัตว์ไปแล้วเราก็จะได้ไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่กับใครก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาคาถามจากคุณธนกิจ ผมนั่งสมาธิพอปวดพอปวดตรงขาเข่าก้นผมก็เอาจิตไปจับตรงไหนเด่นจับตรงนั้นแต่ยิ่งจับยิ่งปวดมากจนหัวใจเต้นจนแทบกระดอนออกมาจนทนความปวดไม่ไหวแต่เวลาจับแค่ลมหายใจจิตมักจะฟุ้งจับได้ไม่นานความปวดจะเด่นกว่าเลยผมเลยใช้สองวิธีวันไหนจิตฟุ้งก็ดูลมปลม ปวดไปวันไหนไม่ฟุ้งก็ดูลมไปแบบนี้ได้ไหมครับก็ได้ผลหรือเปล่านะถ้าได้ผลก็ได้ก็ดีถ้าไม่ได้ผลก็ไม่ได้เหมือนกันวิธีที่จะได้ผลแน่ๆก็คือให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงความเจ็บความปวดให้เกอะติดอยู่กับพุทธโธไปให้มันขาดใจตายไปกับคําว่าพุทธโธนี้แล้วรับรองได้ว่า <c oughs> ความทุกข์ใจจะหายไป ความเจ็บอาจจะหายหรือไม่หายไม่เป็นไรถ้าความทุกข์ใจหายไปแล้วจะอยู่กับความเจ็บได้อย่างสบายคำถามจากคุณวีศรศักดิ์จริตเป็นคนไม่ชอบอบายามุขทั้งปวงตั้งแต่เด็กต่อมาเน้นชอบทำทานให้คนที่ด้อยกว่าใส่บาตรทุกเช้าไปทำบุญที่วัดบ้างสวดมนตมาตั้งแต่อายุ28ปีปัจจุบันอายุ64ปีนั่งสวดมนต์ได้นานเป็นชั่วโมงทั้งที่บ้านที่วัด ที่สงบสงบแต่การไปเจริญสติในชุดขาวไม่ค่อยใส่ใจเคยไปแค่สองครั้งครั้งสุดท้ายไปเจ็ดวันวันที่เจ็ดแยกนั่งทำสมาธิเกิดความรู้สึกประหลาดจอยู่ก็มีแสงสว่างขยายกว้างขึ้นลิ่งลงสงบเย็นปิติรู้แต่ว่าสูขยิ้มรู้ว่ารอบๆตัวมีคนแต่ไม่รับรู้ว่าเขาคุยอะไรกัน เป็นอยู่กเกือบหนึ่งชั่วโมงก็ดึงสติกลับก็ชงนว่าเกิดอะไรแล้วก็กลัวมีคนบอกว่าอาจจะบ้าได้เลยไม่กล้าทำอีกจนมาฟังสนทนาธรรมใน c e b o o k Live ของพระอาจารย์ก็เข้าใจและเรียนรู้มากขึ้นกาบเรียนถามว่าข้อที่หนึ่งอาการที่เกิดขึ้นเรียกว่าจิตรวมได้หรือไม่คะได้จิตสงบจิตมีความสุขจิตเป็นอุเบกขา ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่ที่อยู่รอบด้านตัวมีรวมแบบสองแบบรวมแบบไม่รับรู้อะไรเลยแล้วรวมแบบที่ยังรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่แต่ใจไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้ข้อที่สองแล้วขณะนี้ทิ้งห่างไปนานจะเริ่มมาจเจริญสติใหม่ทําไมมันยากมากเลยคะหรือเป็นเพราะว่ามีบุญทําได้เท่านั้นคะ ก็เวลาที่จะได้ถึงจุดนั้นมันก็ใช้เวลานานตั้งแต่อายุ28ใช่ไหมมาถึงอายุ60กว่าถึงจะได้แล้วนี่จะกลับมาทําใหม่แล้วจะให้มันได้ภายในวันสองวันมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุคือสติเรามันยังไม่พอกําลังยังไม่พอก็อย่าไปสนใจพยายามสร้างเหตุไปเรื่อยๆพยายามเจริญสติไปเรื่อยๆแล้วพอ สติมันมีกำลังพอมันก็จะรวมได้อย่างแน่นอนคำถามจากคุณชวลิศผมนั่งสมาธิได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงมีอาการสั่นแบบเจ้าเข้าสั่นทั้งตัวเสียงของมือที่ซ้อนกันดังป้าบๆผมก็พุทโธไปเรื่อยๆสักพักจะสงบแล้วในหัวจะเบาลงๆเมื่อวานซื้นเกิดหนึ่งครั้งเมื่อคืนเกิดสามครั้งผมกาลังหลงทางหรือไม่ แต่ผมก็ภาวนาพุโทโธอย่างเดียวจิตก็เป็นสมาธิไม่ฟุ้งซ่านเดิมทีแรกนั่งได้สักครึ่งชั่วโมงจะมีอาการเจ็บปวดขาแต่พุโทโธไปก็จะหายบางครั้งมีอาการเหมือนขามันขยับไปเองความปวดหายไปแต่พุโทโธก็ยังอยู่ตลอดแต่เมื่อสองคืนที่ผ่านมาอาการแปลกมากจึงขอกราบเรียนเพื่อจะได้ไม่หลงทางครับ เวลาที่เกิดอาการสั่นต่างๆนี้แสดงว่าช่วงนั้นสติมีกําลังไม่พอจิตมันก็เลยแสดงอาการต่างๆออกมาแต่พอสติของเรามีกําลังท่านทันมีกําลังมากกว่ามันมันก็จะสงบตัวลงไปเพราะฉะนั้นอย่าเพ้อสติพยายามให้มีสติอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วอาการต่างๆมันจะไม่เกิดถ้ามันเกิดก็พยายามพุทโธให้มัน มากขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบได้ข้อสําคัญขอให้มีพุโทโธก็แล้วกันส่วนเวลาใดที่มันสั่นก็สแสดงว่าเวลานั้นพุโทโธเรากําลังน้อยไปนะก็ต้องพยายามทําให้มากขึ้นเรื่องของสั่นนี่มันอาจจะเป็นเรื่องจริตของเราของจิตของเราที่มันมักจ ะ, สะแสดงอาการเหล่านี้เมื่อเวลาที่มันนั่งอยู่เฉย ถ้าไม่มีอะไรมาคุมมันเดี๋ยวมันก็จะสั่นเหมือนเจ้าเข้าแล้วถ้าไม่รู้ก็อาจจะไปหลงคิดว่ามีเจ้าเข้ามาเสียแล้วก็ได้แตความจริงมันเป็นเรื่องของจิตท่านั้นเองไม่มีคุณค่าไม่มีประโยช น, านาย์อะไรอย่าไปสนใจพยายามเจริญสติต่อไปพุทโทธต่อไปจนกว่าจิตมันจะสงบจะเน่งแล้วจิตก็จะสบายมีความสุข คำถามจากคุณพออยู่ที่ใจหากเราชาร์จไฟโทรศัพท์ในที่ทำงานจะเข้าข่ายผิดศีลข้อสองไหมคะก็าถามที่ทำงานเ้าอนุ ญ, ญาตหรือเปล่าเพราะมันเป็นค่าไฟฟ้าอยู่ถ้าทางเจ้าของบริษัทเขาอนุ ญ, ญาตก็ไม่ก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ผิดศีลข้อที่สองแต่ถ้าเขาไม่อนุ ญ, ญาตแล้วไปใช้ไฟของเขานี่ก็ถือว่าผิดศีลข้อที่สอง เพราะว่าเอาของที่ไม่เขาเจ้าของแม่อนุญาตไปนั่นเองคําถามจากคุณสุภาพนั่งสมาธิส่วนมนแล้วอุทิศส่วนครูสนให้แม่ที่ตายไปแล้วท่านจะได้รับไหมคะแล้วแต่ว่าท่านรอรับอยู่หรือเปล่าเพราะดวงจิตของท่านนี้ถ้าท่านมีบุญมากท่านก็เป็นเทวดาท่านก็ไม่ต้องมาเป็นขอทานมารอรับบุญแต่ถ้าท่านไม่มีบุญท่านเป็นขอทานท่านก็อาจจะมารอรับบุญที่เราอุทิศไป คำถามจากคุณอนุวัตรตอนนี้ผมอายุ26ปีมีความคิดที่อยากจะบริจาคร่างกายและอวัยวะตั้งแต่ป .6 แต่ว่าพ่อแม่ไม่อยากให้ทำกลัวว่าชาติหน้าเกิดมาไม่ครบ32มันจะเกี่ยวกันไหมครับและถ้าผมบริจาคจะบาปไหมครับไม่เกี่ยวกันหรอกบริจาคไม่บริจาคเวลาตายนี่เอาไปเผาเหมือนก็อาการ32ก็หายไปหมดเห็นแสดงว่าถ้า ตายไปแล้วเอาไปเผ า, าชาติหน้าก็ไม่ต้องมาเกิดเพราะจะไม่มีร่างกายใหม่ให้มาเกิดอันนี้ไม่เกี่ยวกันที่มาเกิดนี้เกิดเพราะตัณหาความอยากไม่ได้เกิดเพราะว่าเราบริจาคร่างกายให้กับคนอื่นไปการบริจาคร่างกายให้ผู้อื่นก็ไม่บาปแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ได้บุญเพราะว่าเรายังไม่ได้ให้ถ้าอยากจะให้ได้บุญต้องให้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นบริจาคตาไปสักข้างหนึ่งนี้ เวลาจากตายไปสักอันอย่างเงี้ยนี่มันถึงจะเรียกว่าบุญเพราะเราเรารอบรู้อยู่เรารู้ว่ า, เ, าเราได้เสียสละตาของเราไปแล้วเวลาเสียสละไปเรามีความสุขใจจากการเสียสละ เ, เพราะว่าสงสารคนที่เขาตาบอดอยากให้เขาได้เห็นบ้างเรามีสองตาเราตาเดียวก็ยังเห็นอยู่ เ, เขามีไม่มีตาเลยก็ให้เขามีตาสักอันหนึ่งก็เลยแบ่งตาให้เขาไป ถ้าอย่างนี้เรียกว่าได้บุญเหมือนกับการบริจาคทรัพย์เนี่ยให้ตอนมีชีวิตอยู่ได้บุญให้ตอนที่ตายไปแล้วไม่ได้บุญเพราะเราไม่ได้ให้แล้วเราเพียงแต่สั่งเขาไว้ให้ให้นั่นเองแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปให้หรือเปล่าดีไม่ดีเขาไม่ให้ก็ได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าอยากจะได้บุญต้องให้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนที่เรารับรู้เราเห็นกับตาของเราเองรู้กับใจของเราเอง ว่าเราได้เสียสละสิ่งที่เรารักไปแล้วพอได้เสียสละแล้วใจจะมีความสุขนั่นแหละคือบุญแต่ถ้าเราตายไปแล้วเราเขียนจดหมายสั่งเขาว่าเอาร่างกายให้คนนั้นคนนี้เอาเงินทองให้คนนั้นคนนี้เราไม่รู้ว่าเขาทําตามที่เราสั่งหรือเปล่านั้นเราก็จะไม่ได้บุญถ้าอยากจะได้บุญต้องทําในตานะที่เรายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นคําถามจากคุณส้มอมร ถ้าลาออกจากงานราชการเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเดียวจะผิดไหมเราต้องคำนึงถึงพ่อแม่ด้วยหรือไม่เพราะพ่อแม่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้และท่านไม่อยากให้เราลาออกจากงานประจำควรตัดสินใจอย่างไรดีคะมันก็แล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะให้อะไรกับพ่อแม่ดีก่อให้เงินทองให้การดูแลรักษาร่างกายหรือให้ธรรมะ เพื่อเป็นการดูแลรักษาจิตใจพระอุตตมาก็บอกแล้วว่ า, เ, าเงินทองนี่สู้ธรรมะไม่ได้ธรรมนี้สำคัญกว่าพระอุตตมาบอกให้สละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมถ้าเราอยากมีธรรมเราก็ต้องสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตถ้าเราอยากให้พ่อแม่เรามีธรรมเราก็ต้องไปบวช เพราะว่าถ้าเราบวชแล้วเราบรรลุเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะบวชตามใช่ไหมหลวงตาท่านบวชแล้วแม่ก็บวชตามแม่ก็ได้ทำจากการบวชของลูกถ้าหลวงตาไม่ได้บวชแม่ก็คงจะไม่ได้บวชแม่ก็จะไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้บวชบรรดาพี่น้องของพระเจ้าก็จะไม่ได้ทำกันพ่อก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์แม่ แม่ก็ไม่ได้เป็นพระโสดาบันแม่เลี้ยงก็ไม่ได้บวชเป็นพาาาระอรหันต์ลูกก็ไม่ได้เป็นพาาาระอรหันต์อยงนั้นเราต้องคิดดูทั้งระยะยาวอยาว่าคิดระยะสั้นๆใกล้ๆแค่เงินแค่รักษาค่าพยาบาลนี้เท่านั้นถ้าเบิกไม่ได้เงินของเราเองก็มีทําไมไปเสียดายไปเก็บไว้ทําไมตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีแล้วสมัยนี้รักษาเขาก็ไม่คิดมากสาสิบบาทเขาก็รักษาทุกโรคอยู่แล้ว แม้ยังต้องเสียเงินเสียทองมากมาย ก, กายกองดังนั้นถ้าพูดตามหลักเหตุผลแล้วการบวชของเราจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่มากกว่าการอยู่เพราะถ้าเราอยู่ไม่ได้บวชเราจะช่วยพ่อแม่ได้ก็แค่ค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปบวชเราได้ธรรมะพ่อแม่ก็จะได้ธรรมจากเราต่อไปเพราะพ่อแม่จะรักเราคิดถึงเราจะไปเยี่ยมไปหาเราที่วัดอยู่เรื่อยๆ พอคุยกับเราเราก็จะคุยธรรมะสอนธรรมะให้เขาฟังไปแล้วเขาฟังทมไปมันก็จะเดืดมันก็มันก็จะซึมซาบเข้าไปในใจของเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเองคำถามจากคุณภาวนาหลวงพ่อได้กล่าวว่าสามีภรรยาต้องดูแล ก, กันจนตายจากกันเพราะแต่งงานกันเป็นการให้คามั่นสัญญาไว้คาถามข้อที่หนึ่ง ทำไมเวลาผู้ชายหนีไปบวชไม่ผิดทุกคนอันทึ่งอนุโมทนาบุญคะก็ผิดสัญญาไม่มีใครว่าไม่ผิดนถ้าหนีไปก็ผิดไม่ได้ว่าใครว่าไ ม, ไม่ได้ว่าไม่ผิดเพียงแต่ว่าการหนีไปนี้มันดีกว่อยู่เท่านั้นเองอยู่มันก็ยังต้องติดกับการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไปบวชแล้วมันก็จะได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเขาก็เลยอนุโมทนาตรงนั้นว่าเออหายโง่แล้วเออ ได้ไปหลุดออกจากคุกแล้วไม่อยู่ติดคุกทำไมการแต่งงานกันอยู่ด้วยกนันนี่ก็เหมือนกับการติดคุกติดตารางมันจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกลับมาหากันใหม่มาแต่งงานกันใหม่แต่ถ้าหนีออกไปบวชไ ด, ด้ก็แสดงว่านี้ได้หนีออกจากคุกแล้วเขาว่าดีตรงนั้นไม่ใช่ว่าดีเพราะว่าผิดสัญญาอันนั้นไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ดีแต่การผิดสัญญานี้มัน โทษมันน้อยกว่าคุณที่เราได้รับจากการหนีไปบวชก็เลยเห็นว่าการผิดสัญญาแบบนี้ไม่เสียหายตรงไหนเพราะดีไม่ดีอาจจะทำให้เมียเดตตามบวชตามไปด้วยก็ได้จะได้ออกจากคุกไปด้วยกันทั้งคู่เลยข้อที่สองถ้าเป็นผู้หญิงหนีไปบวชไม่ได้ต้องขออนุญาตสามีก่อนเหมือนไม่ชีแก้วกว่าจะได้ออกบวชต้องหาเมียให้ใหม่แล้วต้องขออนุญาต พระพุทธเจ้าเสด็จหนีออกจากวังก็ไม่ได้ขออนุ ญ, ญาตใครใช่ไหมคะแล้วทําไมผู้หญิงหนีไปบวชบ้างจึงไม่ได้คะทําไมไม่ได้ก็ลองหนีไปดูสิไม่มีใครข้ออะไรหน่อยนั่นเขาไม่อยากจะทําให้ถูกธรรมเนียมก็เขาอยากทําให้ถูกธรรมเนียมก็ต้องขออนุญาตสามีก่อนสามีถ้าอยากจะทําให้ถูกธรรมเนียมก็ต้องขออนุญาตภรรยาก่อนอี่านี้บางคนไม่รู้ว่าถ้าทําถูกธรรมเนียมมันก็ไปไม่ได้ก็เลยไม่ ไม่ทำให้มันถูกธรรมเนียมอ่ะเหมือนจะเลี้ยวขวาเนี่ยจะรอไฟเขียวมันไม่เขียวสันทีก็พอมันว่างก็ไปเลย <laughs> ข้อที่สมถ้ามีฝ่ายสามีหนีไปบวชโดยไม่บอกภรรยาแต่จนตายก็ไม่ได้เป็นพระอาหารหันนั้นจะเป็นการทำบาปหรือไม่คะและถ้าเอาเอาทีาาา่เราข้อกันไม่บาปเราไปบวชมันจะบาปตรงไห น, น การไม่ได้บรรลุปเป็นผ้าหลานมันจะ บ, บาปตรงไหนมันเพียงแต่ไม่ได้บุญขั้นสูงสุดเท่านั้นเองและถ้าภรรยามีความเสียใจที่โดนทิ้งไปเป็นการก่อเวรสร้างกรรมกันหรือไม่คะก็อยู่ที่ภรรยาว่าอ้อคาดพยาบาทหรือเปล่าถ้ า, าคาดพยาบาทก็อาจจะ ก, ก, ก่อเกลดกันไปทุกภพทุกชาติก็ได้คําถามจากคุณพระชลวัตรผมได้นั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานที่วัดในโบสต่อหน้าพระประธาน ประมาณ40นาทีขณะนั่งผมรู้สึกว่ามีแสงสว่างเกิดขึ้นพาดผ่านแถวแถวดวงตาขณะหลับตาสองครั้งครั้งละประมาณ5วินาทีแต่ละครั้งจะห่างกัน5นาทีผมไม่ทราบว่าคือแสงอะไรผมก็นั่งกำหนดลมเข้าออกพุทโทไปเรื่อยๆไม่ตกใจเพียงแต่สงสัยว่าคือแสงอะไรครับ มันก็เป็นแสงที่เราเห็นให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็แล้วกันไม่ต้องไปรู้ว่ามันเป็นแสงอะไรรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับมันไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดมันก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากไปรู้ว่ามันเป็นอะไรมันก็จะทุกข์ขึ้นมาได้ยันรู้แล้วให้ปล่อยวางรู้ว่าเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เป็นอนัตตามันจะมามันก็มามันจะไปมันก็ไปคาถามจากคุณปญญาภัน์ ดิฉันติดตามเพจพระอาจารย์มาได้ระยะหนึ่งบางครั้งรู้สึกเบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิดแต่ยังเป็นปู่ทุชนจึงต้องมีหน้าที่ทางโลกแต่ก็หาโอกาสไปปฏิบัติธรรมบ้างเจอปัญหาในที่ทำงานคือเพื่อนสองกลุ่มทะเลาะ ก, กันดิฉันเป็นคนกลางที่ต้องรับฟังทั้งสองฝ่ายดิฉันเลือกที่จะฟังแบบกลางๆได้แต่บอกไปว่าใครทำอะไรก็ได้ รับกรรมของเขาไปจะให้ไปร่วมเกลียดด้วยคงไม่เอาบางทีก็โดนว่ากลับมาว่าอะไรอะไรก็ธรรมะจ๋าเหลือเกินดิฉันก็เลยได้แต่อ้าวแล้วก็เงียบเฉยเพราะลำพังชีวิตตัวเองก็ผ่านทุกมามากพอแล้วเหนื่อยที่จะไปดูคนอื่นต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในสังคมที่มีเพื่อร่วมงานไม่ถูกกันคะก็ต้องตรงนะว่าห้ามเขาไม่ได้ เราห้ามใจเราก็เลิกกันเราพยายามรักษาใจของเราให้นิ่งให้สงบแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนอยู่ในโลกนี้มันก็มีอย่างนี้มีทั้งรักมีทั้งชังมีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทาคนที่ฉลาดนี่จะอยู่เหนือความสรรเสริญนินทาอยู่เหนือความรักความชังเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องของทางโลกเป็นเรื่องของอนัตตาเราไปสั่งให้เขาไปห้ามเขาไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ได้ ไปสั่งไปห้ามไม่ให้เข า, เาโกรธเกลียดไม่ได้แต่เราสั่งให้ใจเราเฉยได้ด้วยการใช้สติพุโทโธพุโทโธไปถ้าใจไม่เฉยก็พยายามจเจริญสติไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเฉยคําถามจากคุณวศินเคยถามพระอาจารย์เคยถามพระอาจารย์เรื่องรู้ขณะปฏิบัติธรรมที่วัดยานพระอาจารย์บอกว่าการปฏิบัติของผมยังล้มลุกคลุกคลาน เราจะสังเกตอะไรหรือสัญญาณอะไรที่บ่งชี้ว่าการปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นหรือแนวทางที่ปฏิบัตินั้นถูกต้องครับก็ใจเรานิ่งมากขึ้นสงบมากขึ้นความอยากกิเลสต่างๆเนาะเบาบางลงไปก็แสดงว่าเราก้าวหน้าถ้าใจเรายังไม่นิ่งกิเลสตัณหาเรายังเยอะอยู่ เหมือนเท่าเดิมมันก็แสดงว่ายัางไม่ก้าวนหะน้าเช่นถ้าเราเลิกบุหรี่ได้เราก็ก้าวหนะ้าเราเลิกสุราได้เราก็ก้าวหนะ้าเลิกเที่ยวผู้หญิงได้เราก็ก้าวหนะ้าเลิกเที่ยวกลางคืนเลิกเล่นการพนันได้รักษาศีลห้าได้นี่นี่คือเครื่องวัดการเจริญของการปฏิบัติของเราคำถามจากคุณทันพิสิทธิ์ที่ว่าการทวนกระแสจิต หมายความเราต้องขัดต้องฝืนกับความอยากความรู้สึกขณะที่มีความอยากความรู้สึกหรือเปล่าครับนั่นหละไห้ทวนกระแสของตันหาทั้งสามคือกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเช่นนี้อยากจะไปกินเลี้ยงก็อยากไปกินถือสินแปดแทนว่าวันนี้จะกินข้าวเพียงเที่ยงวันเท่านั้นเพื่อนเชิญมาไปให้ไปเที่ยวคืนนี้ก็ไม่ไปหว่าจะนั่งสมาธิแทนเนี่ย อย่างนี้เรียกว่าเป็นการโทนกระแสคำถามจากคุณวาปีข้อที่หนึ่งผมแต่งงานกับภรรยาที่นับถือศาสนาคริสต์ไม่เคยขัดแย้งกันเรื่องศาสนาภรรยาก็ไม่ขัดที่จะทำบุญกับทางพุทธวันอาทิตย์ผมก็ไปโบสกับภรรยาผมสงสัยว่าพิธีกรรมในโบสถ์ผมได้ร่วมทำไปด้วยเช่นร้องเพลงร่วมบริจาคยกเว้นรับศีลจากบาทหลวง สิ่งนี้จะเหมาะสมกับที่เรานับถือพุทธหรือไม่ครับก็เหมือนกันน่ยน้องเพลงก็เหมือนสวดมนต์นะฮะบริจากทรัพย์ก็เป็นการทำทานรับศีลกับรับศีลเหมือนกันศีลของคิดศีลของพุทธมันก็ศีลเหมือนกันละเว้นจากการฆ่าสัตว์มันก็ละเว้นเหมือนกันก็ไม่เห็นต่างกันตรงไหนก็ใช้ได้เหมือนกันาศาสนาคิดกับาศาสนาพุทธนี่ ในระดับทานศีลนี่กับภาวนาคือสมาธินี่คล้ายคลึงกันเขาสอนให้ทาทานเหมือนกันสอนให้รักษาศีลเหมือนกันสอนให้ไหว้พระสวดมนต์เขาแทนที่เขาจะไหว้พระเขาก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไปก็เป็นการสวดมนต์ของเขาสวดแล้วใจเขาก็เย็นสบายมีความสุขเราสวดมนต์แล้วเราก็มีความเย็นสบายมีความสุขมันก็เหมือนกัน ต่างตรงที่ว่าเขาไม่มีวิปัสสนาเหมือนเราทั้เองเรามีธรรมที่สูงกว่าขั้นสมาธิคือปัญญาเรามีอริยสศศัจสีเรามีไตรัก์ที่เขาไม่มีและระหว่างฟังบาทหลวงเทศผมจะภาวนาพุโทโธกำหนดลมเข้าออกแทนจะเหมาะสมไหมครับก็แล้วแต่เราถ้าเราไม่อยากจะฟังเขาเทศเราก็พุโทโธของเราไปดูลมไปก็ได้ แต่ถ้าเราฟังเราก็อาจจะได้รู้ว่าเขาสอนอะไรแล้วเราจะได้เอามาเปรียบเทียบกับคำสอนของเราว่ามันแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ก็ได้ทั้งสองอย่างคือเราอย่าไปกลัวว่าฟังคำสอนขอเขาแล้วเราจะกลายเป็นถูกเขาล้างสมองไปถ้าคนเรามีหลักมีเกณฑ์มีปัญญาแล้วใครมาล้างไม่ได้หรอกการฟังขาวสารคำสอนของคนอื่นนี่ก็ดีจะได้เปรียบเทียบกันว่าของใครจะดีกว่ากัน แ้เราจะได้รู้ว่าของเรานี้มีคุณค่ากับของเขาเยอะเพราะเขาไม่มีอย่างที่เรามีกันข้อที่สองมาวัดพุทธภรรยาไม่สมาทานศีลแต่ทำบุญด้วยและถ้าเขาฝึกภาวนาแต่กำหนดแค่ลมเข้าออกแทนพุทโธา น, นิสงจะได้เต็มเหมือนเราที่เป็นชาวพุทธไหมครับเหมือนกันถ้าจิตก็้าสงบก็สงบเหมือนกัน จะสงบด้วยพุโทโธก็ได้สงบด้วยอนาปนาสติก็ได้คำถามจากคุณเจปอนโยน้องคนหนึ่งจะส่งของไปให้ทหารที่ชายแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเพราะเห็นว่าทหารโดนระเบิดตายกันเป็นจำนวนมากเขามาขอให้ดิฉันเขียนจดหมายทำนองปลอบขวัญและส่งแรงใจแนบไปกับของดิฉันรับปากแล้วมานั่งคิดไม่สบายใจว่า การเขียนจดหมายจะเป็นการร่วมกรรมในข้อส่งเสริมให้เกิดการผดสีงข้อหนึ่งดิฉันควรทำหรือไม่ควรทำอย่างไรดีคะก็แล้วแต่เราถ้าเราคิดว่าเป็นการส่งเสริมให้เขาทำแบาบปเราก็ไม่ควรทำแต่ถ้าเราคิดว่าเราส่งเสริมให้เขาช่วยมาปกป้องประเทศชาติเพื่อเราอยู่อย่างสุขสบายเราก็ควรทำคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเรารู้ตัวเองว่าเราอยากให้คนที่รู้จัก สแสดงความมีน้ำใจกับเราแต่พอไม่ได้รับเราก็เลยโกรธพอรู้สึกตัวว่าเราขาดความเมตตาก็พยายามให้อภัยมาตลอดนานพอสมควรแต่สุดท้ายคนที่เราพยายามที่จะไม่โกรธก็ยังคงไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการที่เรายังปล่อยวางความอยากของเราไม่ได้ถ้าเราหนีออกมาจากเขาไม่พูดคุยเจอะ เ, เจอเหมือนแต่ก่อนไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนนั้นอีก ทั้งๆ ท, ที่ปกติเราจะคอยถามไทยพูดคุยเวลาที่เขามีปัญหาจะเป็นการกระทำที่ถูกต้องไหมคะหรือเราควรจะสู้กับกิเลสของตัวเองพยายามให้อภัยไปเรื่อยๆช่วงหลังๆก็มักรู้สึกอยากยอมแพ้แล้วค่ะคือการแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือกิเลสของเราที่ไปอยากให้เขาดีกับเราถ้าเขาไม่ดีกับเราเราก็โกรธเขาเราก็ต้อง สอนใจเราว่าเราไปสั่งเขาไปบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาดีกับเราได้แต่เราสามารถสั่งใจของเราไม่ให้ไปอยากให้เขาดีกับเราได้ถ้าเราเห็นความจริงว่าอยากยังไงเขาก็ไม่ดีอย่างที่เคยสอนญาติโยมอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปอยากให้ส้มมันเป็นกล้วยส้มมันก็ต้องเป็นส้มกล้วยก็ต้องเป็นกล้วย เขาเป็นส้มอย่าไปอยากก็เป็นกล้วยเพราะเขาไม่เป็นกล้วยก็เสียใจเพราะอยากกินกล้วยคาถามจากคุณวสันต์ข้อหนึ่งผมเคยฟังเทพพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านว่าพระอาหารหันต์ละชั่วและละดีคำว่าละดีหมายถึงไม่อยากทำความดีแล้วใช่หรือไม่ครับไม่ใช่หรอบคำว่าละดีก็คือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ไม่มีปัญหาอะไร เพราะว่าทำก็ไม่ได้ทำให้รวยขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ทำให้สุขมากกว่าเดิมเพราะเหมือนกับความสุขมันเต็มแก้วแล้วจะเติมน้ำเข้าไปอีกเท่าไหร่มันก็ได้น้ำเพียงขนาดเท่าเดิมอยู่ยั้งจะทำดีก็ได้ไม่ทำดีก็ได้ความหมายเป็นอย่างนั้นว้าหลานเจงบางทีท่านจะทาบุญก็ได้ไม่ทำบุญก็ได้ไไดคนอื่นแต่คนที่ทั่วยังไม่เต็มน้ำเนี่ยต้องคอยเติมอยู่เรื่อยให้มันเต็มข้อที่สอง ถ้าพระอาหารหันต์สิ้นความอยากในด้านจิตใจแล้วสิ่งที่ทําเช่นหลวงตามหาบัวที่ท่านเมตตาสงเคราะห์โลกอย่างหาประมาณไม่ได้นั้นเรียกว่าอะไรครับใช่เมตตาหรือไม่ครับการกระทําต่างๆของผู้ที่สิ้นกิเลสนี้ทำด้วยใจที่มีความเมตตากรุณาทําด้วยใจที่ไม่มีอคติไม่มีรักไม่มีชัง ไม่มีกลัวไม่มีหลงถ้าเป็นการพูดก็เหมือนว่าทำด้วยกิริยาทำไปตามเหตุตามปัจจัยมีอะไรให้ทำได้ก็ทำไปถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ทำได้ก็ยินดีที่จะทำแต่ใจจะไม่กระเสือกกระสนอยากจะไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพื่อเอามาแจกมาจ่ายให้กับคนนั้นคนนี้อย่างนี้จะไม่มีในใจของผู้ที่ไม่มีกิเลส แต่จะทำต่อเมื่อมีเหตุมีปัจจัยให้ทำเช่นมีคนให้ข้าวให้ของให้เงินให้ทองมาเก็บไว้ที่วัดก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็เอาไปแจกก็ไปจ่ายอย่างนี้เรียก ว, ว่าทำแบบไม่มีไม่ได้ทำด้วยกิเลสไม่ใช่ว่าอยากจะช่วยคนนั้นช่วยคนนี้พอไม่มีข้าวมีของก็ไปเรียลายไปขอให้คนนั้นคนนี้ม า, าให้เพื่อที่จะเอาไปท่านจะไม่ทำแบบนี้ ท่านจะทาแบบที่ว่ามีเหตุให้ทาท่านก็ทาถ้าไม่มีเหตุไม่มีข้าวไม่มีของให้แจกก็ไม่แจกก็ใช้อุเบกขาแทนไปถ้าไม่มีใช้เมตตาไม่ได้ก็ใช้อุเบกขากรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเปนของของตนจะทากรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าจะตกทุกข์ได้ยากเดืนรอน แล้วเราไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือเขาได้ก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเขาไปามไปหมดแล้วทีนี้คำถามสดต่อต่อไปเป็นคำถามจาก Facebook Life นะคะคำถามแรกจากคุณอังคณาค่ะเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการเริ่มวิปัสนาที่ท่านพึ่งเทศหมายถึง ออกจากการนั่งสมาธิแล้วยกเรื่องใจรักขึ้นมาคิดโดยคิดขึ้นเองแล้วยังนั่งอยู่ในท่าสมาธิหรือออกมาจากอิริยาบถการนั่งเลยคะได้ทั้งนั้นการเจริญปัญญาเจริญที่ใจไม่ได้เจริญที่ร่างกายร่างกายอยู่ในอิริยาบถไหนสามารถเจริญปัญญาได้ตลอดเวลาถ้ามีสังขารความคิดปรุงแต่งจะเจริญปัญญาไม่ได้ก็ช่วงที่จิตอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบไม่มีความคิดปรุงแต่งเท่านั้น คำถามข้อที่สองค่ะปกตินั่งทุกครั้งจะสงบเร็วครั้งหนึ่งหลังออกจากสมาธิกำลังเปลี่ยนอิริยาบถเห็นเหมือนตัวเองหลุดออกจากกายแต่พอมองดูก็รู้สึกตัวเป็นนิมิตหรือการแยกกายกับจิตคะและควรจะทำอย่างไรดีถ้าเกิดขึ้นอีกก็เอามาสอนใจว่าใจกับจิตใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายใจ ไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายไปกับร่างกายใจไม่ต้องไปทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายให้ปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปคิดว่าเป็นใจแล้วใจก็จะปล่อยวางจะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่คือเป้าหมายของการเจริญวิปัสสนาการแยกใจแยกกายแยกเพื่อให้รู้ว่าสิ่งใดตายสิ่งใดไม่ตายสิ่งใดทุกข์สิ่งใดสิ่งใดไม่ทุกข์ ร่างกายเขาไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใจที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกลับไปทุกข์เพราะไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยต้องมาสอนใจใหม่สอนให้รู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอรู้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายคาถามจากคุณลอดค่ะการปึกกะสินต่างๆมโนมยิทิสามารถหลุดพ้นได้หรือไม่ครับ เป็นการทำสมาธิแบบหนึ่งยังไปไม่ถึงขั้นปัญญาถ้าขั้นปัญญานี้ต้องต้องเห็นใจรักเห็นอริยสัจสีถึงจะหลุดพ้นได้คําถามจากคุณน้ําหวานคะ่ะเวลาสวดมนต์ใจจะชอบคิดออกไปข้างนอกทั้งๆที่ยังสวดมนต์อยู่มีแนวทางอย่างไรให้ใจเราอยู่กับบทสวดมนต์ตลอดบ้างคะก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนจะมาสวดมนต์ก็ให้ พุโทโธพุโทโธไปทั้งวันอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยให้คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธเพียงอย่างเดียวแล้เวลามาส่วนวันแล้วใจจะไม่ไปคิดเรื่องอื่นคําถามจากคุณตะวันยิ้มค่ะผมทําธุรกิจก็เหมือนจะดีพอทําไปสักระยะก็เหมือนมีกรำร ม, มาขัดแข้งขัดขาไม่ให้ไปไหนสะดุดตลอดผมพยายามนั่งสมาธิวิปัสสนาทุกวันไม่ทราบว่าจะช่วยได้หรือเปล่าครับ มันคนละเรื่องการเรื่องธุรกิจมันไม่เกี่ยวกับเรื่องวิปัสนาเรื่องวิปัสสนานี้มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจวิปัสนาเพื่อทําให้ใจปล่อยวางธุรกิจจะได้ไม่ไปทุกข์กับการสะดุดของธุรกิจถ้าเราวิปัสสนาแล้วเราเห็นว่าธุรกิจมันเป็นของไม่เที่ยงมันมีเจริญมันมีเสื่อมเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราก็จะไม่ทุกข์กับการเจริญการเสื่อมของธุรกิจ มันก็จะดีตรงนั้นมันจะดีที่ทําให้ใจเราไม่วุ่นวายไปกับความเสื่อมของธุรกิจนะแต่มันไม่ได้ทําให้ธุรกิจไม่เสื่อมเพราะไม่ว่าธุรกิจของใครก็ตามมันมีเจริญมีเสื่อมทั้งนั้นเพียงแต่ว่าจะเชื่อมเสื่อมก่อนเสื่อมหลังใครจะเสื่อมก่อนเขาจะเสื่อมหลังมันถึงเวลามันจะต้องมีวันเสื่อมทุกธุรกิจนะคําถามจากคุณมดงาน พิจารณาร่างกายสลับกับการทำสมาธิสลับกันไปมาทั้งวันถูกต้องหรือไม่หรือต้องมุ่งทำสมาธิให้แน่นหนามั่นคงก่อนเราค่อยมาพิจารณาคือถ้าพิจารณาแล้วปล่อยวางร่างกายได้ก็ถูกต้องถ้าพิจารณาแล้ว ย, ยังปล่อยวางร่างกายไม่ได้ก็ดูว่ากำลังสมาธิเรามีมากพอหรือยังที่ปล่อยไม่ได้ก็เพราะกาลังปล่อยไม่มีกาลังปล่อยก็คืออเบคา อุเบกขาก็จะต้องเกิดจากการเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อัปปนาสมาธิจึงจะได้อุเบกขาถ้ายังไม่ได้อุเบกขาเราจเจริญปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีอุเบกขาไม่มีกําลังปล่อยก็ต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิให้มากๆให้มีกําลังปล่อยคําถามจากคุณมคัคาความคิดมันพยายามจะขึ้นมาแต่จิตไปรู้เข้า มันก็กลับมารวดเร็วมากครับเป็นตลอดควเป็นตลอดควรทำอย่างไรดีครับอะว่าใหมเนี่ความคิดมันพยายามจะขึ้นมาแต่จิตไปรู้เข้ามันก็กลับมารวดเร็วมากครับเป็นตลอดควรทำอย่างไรครับก็เราไม่มีสติหยุดมันมันก็เข้ามาเรื่อยๆเราต้องพยายามหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆมันพุทโธอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะไม่เข้ามา คำถามจากคุณสันติการปฏิบัติคือการเจริญสติให้ต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นมาจนหลับและพักทำสมาธิเพื่อให้ชำนานจนถึงขัน้นอุปจาระคำถามคือผมเจริญสติเป็นแต่การทำสมาธินี้ให้อยู่ในอารมณ์เดียวใช่ไหมครับทำอย่างไรครับก็ทำเหมือนกับเจริญสติเพียงแต่ว่าเราต้องนั่งหลับตาเท่านั้นเองไม่ทำอะไร เวลาถ้าเราล่างกายเรายังเคลื่อนไหวอยู่จิตจะไม่สามารถรวมเข้าสู่สมาธิได้เต็มที่เพราะจิตยังต้องดูแลประคับประคองการทำการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่แต่พอร่างกายนั่งอยู่เฉยๆจิตก็ปล่อยร่างกายได้จิตก็หยุดทํางานได้พอมีสติสั่งให้หยุดความคิดได้จิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้ไเวลานั่งสมาธิก็เหมือนกับเวลาเจะนญสติ พุโทโธก็พุโทโธต่อไปเพียงแต่ว่าไม่ให้เคลื่อนไหวไม่ให้ร่างกายเดินไม่ให้ร่างกายทำอะไรให้นั่งกายนั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อไปแล้วพุโทโธนี้ก็จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่เป็นอัปปนาสมาธิเป็นอุเบกขาขึ้นมาคำถามจากคุณจารันรัตเวลานั่งสมาธิไปประมาณหนึ่งชั่วโมงจะเริ่มปวดร่าง ตามร่างกายแล้วจะเร่งบริกรรมพุโทโธหายใจแรงขึ้นเริ่มอึดอัด จ, จะแก้อย่างไรดีคะก็อย่าไปรังเกตความเจ็บเปลี่ยนใจเราใหม่หัดมาชอบความเจ็บถ้าเราชอบความเจ็บแล้วเราก็จะไม่รู้สึกอึดอัดที่เราอึดอัดเพราะเราไม่ชอบสิ่งความเจ็บนั้นเราต้องออกมาหัดเปลี่ยนใจเหมือนเคยเราเราเคยกินกาแฟชอบกาแฟแล้วอยู่ดีๆก็น้ําชามาให้กินแทนเราก็จะไม่ชอบเราก็จะอึดอัดใจ หัดกินมันเข้าไปชาก็ได้วะไม่มีกาแฟก็ เ, าเ้าชาวะกินเข้าไปสักพักเดี๋ยวมันก็ถูกถูกใจขึ้นมาเองมันก็ติดใจขึ้นมาเดี๋ยวต่อไปก็อยากจะกินชาไม่อยากจะกินกาแฟอย่า น, นตอนนี้เรามันไม่ชอบความเจ็บหัดชอบมันสิถ้าชอบได้แล้วต่อไปมันจะเจอความเจ็บแล้วมันจะมีความสุขอ้าวจริงๆไม่เชื่อลองไปทําดูคําถามจากคุณสามารถ ทำไมเสือชอบมาอารักขาพระพาทุตดงกรรมฐานครับเขามีจิตแบบใดเราไม่รู้มีเสือมาารักขาที่ไหนเสือมันก็เป็นเสือนั่นแหละเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่มันเห็นพระนี่มันจะเหมือนกับว่ามันรู้ว่าไม่เป็นภัยกับมันมันก็เลยไม่มายุ่งมาทำาลายเพราะว่าพระนี่อาจจะเป็นเพราะสีสีพระเหลืองนี่มันมันรู้จักกันมาตั้งสมัยพุทธกาลแล้ว มันถูกสอนกันมาว่าถ้าเห็นสีนี้เป็นพวกเป็นพวกเดียวกันเป็นเพื่อนกันไม่ไม่ต้องไปทำร้ายกันถ้าเป็นสีอื่นเอาเลยค <c oughs> ำถามจากคุณอุจังหนูสวดมนต์แล้วจ้องไปที่ภาพพระขณะสวดมนต์เพื่อไม่ให้จิตไม่ให้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นสักพักภาพพระเปลี่ยนเป็นพระพักเคลื่อนไหว เห็นหมอกควันอยู่รอบๆภาพเห็นภาพพระสว่างสวัยแต่รอบๆมัวๆมืดๆรู้สึกกลัวก็เลยลุกไปทําอย่างอื่นไม่อยากสวดมนต์ต่ออย่างนี้ต้องทําอย่างไรบ้างคะอย่าไปดูภาพเสีิให้ดูบทสวดให้อยู่กับบทสวดอย่าไปสนใจอย่างอื่นให้อยู่กับบทสวดสวดอิติปิโสก็อยู่กับคําว่าอิติปิโสไปแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรตามมา คำถามจากคุณธรรมชาติผมรู้สึกว่าเดินจงกรมแล้วมีสติมากกว่านั่งภาวนาเดินแล้วไม่ค่อยหลุดคิดถึงเรื่องต่างๆเดินจงกรมอย่างเดียวไปเรื่อยๆไ ด, defin? ได้ไหมครับหรือควรต้องฝึกฝืนนั่งภาวนาไปด้วยพร้อมกันครับก็เดินไปจนกว่าเดินไม่ไหวก็ค่อยมานั่งก็ได้ลองเดินสัก5าชั่วโมงดูสิถ้าพอมันเดินไม่ไหวมันก็มานั่งเองก็ลถ้ามันยังเดินได้ก็เดินไป ถ้าเดินแล้วสติดีกว่านั่งก็เดินไปแต่พอมันเดินไม่ไหวมันก็ต้องมานั่งอยู่ดีกลัวจะไปนั่งดูทีวีแทนคำถามจากคุณสาร ญ, ญาถ้านั่งสมาธิไม่ได้นอนสมาธิได้ไหมคะได้นอนจะได้หลับไงหมนแล้วหรอนี่คะ่ะ คนหามาเดี๋ยวคนเป็นคนบางคนเขียนมาว่าถามแล้วไม่เห็นตอบสักทีบางทีมันมองข้ามไปก็ได้หรือคําถามเวลาบางทีมันไร้สาระเขาก็เลยไม่ถามถ้าอยากจะถามขอให้ถามเรื่องธรรมะปฏิบัตินะอย่าไปถามเรื่องที่มันอาจจะอ่ทําให้เกิดอผลกระทบต่อผู้อื่นเช่นอย่าเอาบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องด้วยะ ที่นี่ไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งนั้นไม่ว่าวัดไหนวัดใครเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราเรื่องใจของเราเพียงอย่างเดียวก็พอคําถามจากคุณพัชรินค่ะนั่งสมาธิเกือบทุกวันไม่ทราบว่าการรู้ว่าสมาธิก้าวหน้าหรือไม่ดูจากที่ตัวเองไม่ค่อยโกรธใครได้นานเวลาที่ใครมาเอาเปรียบก็ไม่ถือสาอะไรจะเย็นลงมากนี่ถือว่าก้าวหน้าแล้วหรือ ย, ยังคะ ถ้าเย็นลงกว่าเก่าก็ถือว่าก้าวหน้าแล้วถ้าใจไม่ไม่โกรธโกรดน้อยกว่าเก่าก็แสดงว่าก้าวหน้าแล้วแต่ก็ต้องดูว่ามันมันเป็นของจริงหรือของปลอมมันอาจจะไม่โกรธวันนี้แต่พรุ่งนี้มันอาจจะกลับมาโกรธแรงกว่าเก่าก็ได้ก็ต้องคอยดูไปเรื่อยๆคอยวัดคอยประเมินผลไปเรื่อยๆอย่าประมาทเพราะตราบใดที่เรายังไม่ได้กําจัดความโกรธให้หมดไปมันก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาแรงขึ้นกว่าเก่าก็ได้ คำถามจากคุณมุกดากรณีทำงานราชการไปเซ็นชื่อแล้วทำงานบ้างหนีกลับบ้านบ้างหนีเที่ยวบ้างแต่รับเงินเดือนเต็มๆกรณีเช่นนี้แบบใหม่ค ะ, ะจะมีกรรมไหมคะถ้าเราเป็นเจ้าของเราจะรู้สึกยังไงจ้างาเขามาทำงานแปดชั่วโมงใจ่ายให้เขาแปดชั่วโมงแต่เขาทำให้เราสี่ชั่วโมงอย่างนี้แสดงว่าเขารักทรัพย์ของเราไปสี่ชั่วโมงใช่ไมคาถามต่อไปจากคุณแอลค่ะ จูจ่ๆ จ, จิตมันก็เหนื่อยที่จะคิดแล้วมันก็มาเกาะที่ลมหายใจเข้าออกโดยอัตโนมัติเหมือนพร้อมที่จะเข้าสมาธิแต่ขณะนั้นร่างกายยังไม่พร้อมกําลังขับรถลงจากเขาคําถามคืออาการที่จิตหยุดคิดเช่นนี้ขณะลืมตาถือว่าเป็นคณิ ก, กะสมาธิแล้วหรือยังคะยังละยังยังไม่สงบก็ถ้าอยากจะสงบก็หยุดรถซะแล้วก็จอดรถข้างทางแล้วก็นั่งสมาธิไป ว่าบางทีจิตมันอาจจะเหนื่อยมันไม่อยากจะคิดนะก็อย่าไปขับรถก็ได้เดี๋ยวมันไม่มันไม่สนใจกับเรื่องการขับรถนะก็จอดรถสักพักก่อนพักจิตพักกายไปก่อนก็ได้คำถามจากคุณดํมมาดาทำอย่างไรจึงจรงะระงับกามราคขะที่เกิดขึ้นในจิตให้ได้ก่อนที่จะเป็นการกระทาออกไปทางกายและวาจาครับก็ต้องนึกถึงสรางศพนึกถึง อัศวปาถึงส่วนความไม่สวยงามของร่างกายคําถามจากคุณมุกดาค่ะมีไหมคะคนที่ปล่อยร่างกายได้แต่สมาธิได้ไม่ถึงอัปปนาก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ไปทําข้อสํารวจ ด, ดูปล่อยได้ก็ดีปล่อยได้ก็ถือว่ามีสมาธิแล้วถึงจะปล่อยได้ถ้าถ้าถ้าปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิยังมีกําลังไม่พอใจยังไม่มีกําลังปล่อย ยังไม่มีอุเบกขาก็จะปล่อยไม่ได้คำถามจากคุณมัคคาค่ะที่บ้านมีองค์พระพรมอยู่จำเป็นต้องเก็บหรือไม่ครับหรือบูชาต่อได้ครับก็แล้วแต่เราเราอยากจะเก็บก็เก็บได้อยากจะบูชาก็บูชาไปแต่บูชาอะไรก็สู้บูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ระหว่างรถรถกระบะกับรถเบนซ์ น, นี่คุณจะเลือกเอารถอะไรดี ถ้าคุณชอบกระบะคุณก็ใช้กระบะไปถ้าคุณชอบเบนท์คุณก็ใช้เบนท์ไปพระพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนรถเบนท์พระอย่างอื่นก็ถือว่าเป็นเหมือนรถกระบะสู้รถเบนท์ไม่ได้ในความสะดวกความสบายในความสุขนั่นก็อยู่ที่ความพอใจของเราเราอยากจะไหว้ใครก็ไหว้ได้แต่ทางพระพุทธศาสนาท่านสอนว่า สารณะใดที่พึ่งใดก็ไม่มีใครที่พึ่งดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะปกป้องคุ้มครองจิตใจของเราไม่ให้มีความทุกข์เข้ามาได้นอกนั้นยังต้องมีความทุกข์อยู่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่คำถามจาคุณนาลินค่ะขอแค่สองสองสามคำถามนะจ ะ, จะได้ปิดการประชมุมการที่พระท่านว่าพระสกิทาคามี ท่านทำรลาคะโทสะโมหะให้เบาบางลงคือยังไงครับก็เคยเคยบ้ากามตลอดยี่บสี่ชั่วโมงก็เหลือสิบสองชั่วโมงทาให้เบาบางคือเปรียบเทียบกับก่อนหน้าหรือครับอ่าก่อนหน้าเคยเคยบ้ากามตลอดเวลาเห็นใครปุ๊บนี่อยากจะเสพกามทันทีพอมาพิจารณาสุภาษะก็เลยทำให้มันมันทำให้น้อยลงไป เวลาใดเห็นอสุภะความบ้ากามก็หายไปแต่ยังไม่เห็นตลอดเวลาเห็นเพียงครึ่งเดียวเดี๋ยวเรียกว่าบ้าครึ่งเดียวเวลาที่ไม่เห็นอสุภะก็ยังบ้าอยู่ยังหลงอยู่แต่พอเวลาใดเห็นอสุภะก็จะไม่บ้าแต่ยังไม่หมดแต่พระอนาคามีนี่เห็นตลอดยีบสี่ชั่วโมงเห็นตลอดเวลาเห็นร่างกายของใครจะเป็นนางงามเป็นนายแบบหรือเป็นดาราเป็นอะไร เห็นเป็นอสุภะเห็นเป็นซากศพไปหมดนก็จะไม่มีวันที่จะเกิดการมาราคะขึ้นมาได้ถ้าเช่นนั้นผู้ที่สามารถระงับหรือรู้ทันว่าตอนนี้มีราคะตอนนี้กําลังโกรธอยู่คือผู้ที่ผ่านพระโสดาบันแล้วหรือครับก็มันไม่แน่หรอกบางทีโสดาบันยังไม่ได้ก็ยังเห็นได้แต่เพียงแต่ว่ามันจะละไม่ได้อย่างถาวรเท่านั้นเองมัน ล, ละได้เป็นครั้งเป็นคราวไป คำถามจากคุณฟุกทำงานไปด้วยฟังไปด้วยผิดศีลไหมครับก็ผิดตรงไหนล่ะงานก็งานถ้างานไม่เสียก็ทําไปก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนเพีแต่ว่ามันจะไม่ได้ทั้งสองอย่างเต็มร้อยงานก็ไม่ได้เต็มรอ้อยศีลธรรมะก็ไม่ได้เต็มร้อยเพราะต้องแบ่งใจไปสองที่ถ้าอยากจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งเต็มร้อยก็ต้องเอาอย่างเดียว ถ้าทำงานก็ทำงานให้มันเต็มที่ไปเลยอย่าไปฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมถ้าอยากจะได้ธรรมะ ก, ก็ฟังธรรมอย่างเดียวอย่าไปทำอย่างอื่นอา่าคำถามนึงคำถามสุดท้ายคำถามจากคุณมินนี่ค่ะการให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนช่วยฝึกสติได้ไหมคะอันนี้เราไม่รู้นะว่าเราไม่รู้เรื่องเกมเอะไรเท่าไหร่อะไรไม่อยากจะวิภาควิจารก็พอแล้วนะก็